บมือเช้านี่ก็บอกว่าทำจิตเป็นของสําคัญวันนี้ก็ต้องย้ําอีกว่าจิตเป็นของสําคัญจิตเป็นธรรมชาติรู้มีรู้อย่างเดียวจิตรู้ดีรู้ชั่วรูปเป็นคำวิพากษวิจารณ์นั่นเป็นกิริยาของจิต แสดออกว่าเป็นเรื่องของสติบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่จิตจแคบไม่มีกิริยาอาการออกช้ายเป็นความรู้เท่านั้น้ากิริยาแสดงออกจากจิตก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้นนทารู ส, สรรเสิญมีเป็นกิริยาอาการออกมาแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตมีการเกิดการดับรับทราบแล้วก็ดับไปดับไปเช่นเดียวกับท่านเรียกว่าวิญญาณคือความรับทราบจากอายจนาภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับทางตาหูจมกูกลิ้นกายทาให้เกิดความวิญญาณขึ้นมาคือรับทราบ ตามขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปในขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าบินยาณหรือเรียกว่าอาการของจิตเป็นสังขารความคิดความปรุงก็เป็นอาการของจิตจิตเมื่อแสดงอาการแล้วก็หาประมาณไม่ได้แต่เมื่อไม่มีอาการใดไม่แสดงอาการใดเลยก็มีอย่างเดียวคือรู้ แต่รู้ของเรากับรู้ของท่านผู้บริสุทธินั้นผิดกันมากรู้ของเรามันมีสิ่งเจือปนอยู่ภายในรู้ของพระกินาศคือพระอรหันต์ท่านไม่มีอันใดเจือปนมีแต่ความรู้ล้วนความรู้ล้วนๆที่มีอะไรเจลื่อนปนนั่นแหละเป็นความรู้ที่พิเศษเป็นความรู้เกลอ้ยงแจ้งเป็นความรู้ที่รทรงไวจ้จงความสุขเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วย เต็มภูมิฐานของจิตที่บริสุทธิ์สุขก็เต็มภูมิคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเหมือนโลกทั้งหลายเหมือนอาการต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นีมิมายทึงจิตของท่านผู้ชำระได้ เบริสุดเต็มภูมิแล้วแต่หลักแห่งการท่องเที่ยวในวัตฏะสงสารคือในภพชาติต่างๆนั้นจิตเป็นหลักจิตเป็นตัวสำคัญจิตเป็นตัวการ e ันจ n e e ียกว่าสังสระ จ, จักก็คือหมายความว่าความเปลี่ยนไปตาม กดแห่งกรรมเพราะจิตอยู่ใ้อำนาจของกดแห่งกรรมกรรมพามุนไปอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกดแห่งกรรมมา น, นั้นเนื่องจากจิตยังไม่พ้นวิสัยของของกรรมนอกจากจิตพระกินาตกทันนั่นทันพ้นแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยไม่ว่าสมมตดิดีสมมติทั่วสมมติประเภทใด การดูเหนือสมมติคำว่าเหนือก็คือว่าไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตนั่นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่นี่เป็นที่สุดของจิตสุดที่ตรงนี้สุดที่ตรงบริสุทธิ์การท่องเที่ยว เกิดแก่เกี่ตายในพบน้อยพบใหญ่สูงต่ํำแล้วลุ่มดอนเมื่อมาสิ้นสุดก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้เหตุใดจึงต้องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้เพราะสาเหตุที่ให้ท่องเที่ยวได้แฉเชื้ออันหนึ่งที่แฝงลึกแทรกซึมอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปมีแต่จิตล้วน จึงไม่เข้าไปปฏิบัติที่ในพบกำเนิดใดทั้งสิ้นถ้ายังไม่บริสุทธิ์เราจะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือจะเป็นความเห็นโด ย, ยถ่ายเดียวตามความเข้าใจของตนว่าตายแล้วศูนย์ก็ตามธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นไปตามความเข้าใจ ความคาดหมายของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้เนื้อความคาดความหมายแต่เป็นใหญ่ในตนของตนเองคือเรื่องของกรรมสัตว์โลกจึงต้องหมุนไปด้วยกันไม่ว่าชนิดใดไม่ว่าสัตว์ในน้ำบนบกบนอากาศพบละเอียดพบยากเช่นปก พบที่เป็นทิพย์พผู้ถือเทวดาอินทรพงศ์เหล่านี้เรียกว่าพบละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้อแต่จิตก็ยังไปกรรําเนิดเกิดได้ในพบเช่นน้ำพบำยามยาเช่นพบสัตว์พบบุคคลเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลในน้ําบนบกก็เกิดได้ขอแต่กรรมพาให้ไปเกิด กรรมเป็นผู้กำหนดกรรมเป็นผู้พาให้ไปในระหว่างที่ติดท่องเที่ยวต้องท่องเที่ยวเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ท่องเที่ยวเพราะอะไรท่านจึงสอนให้สร้างกรรมดีเพื่อกรรมดีนั้นจะได้พาไป ในเวลาที่ยังไม่ได้พ้นโลกพ้นของสารพ้นจากความเกิดแก่เจิบตายในภพน้อยภพใหญ่ก็ขอให้เป็นสุขในระยะแห่งภพนั้นๆก็ยังดีเช่นเดียวกับเราเดินทางมีเครื่องป้องกันตัวร่มเราก็มีรองเท้าเราก็มีฝนตกแดดออกเราก็กั้นร่มกันฝนร้อนทางพื้นเรา ก็ใส่รองเท้ากันร้อนไม่ร้อนแผลเปียไม่หนาวจนเกินไปเพราะมีสิ่งป้องกันตัวสิ่งป้องกันตัวนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งหลายได้ผิดกับคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวดใดๆอยู่มากมีคนสองคนเดินทางไปด้วยกันนั่นแหละคนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกันตัวอะไรเลยฝนตก ก็ถูกแดดออกก็ถูกหเดียวว่าตาทั้งแดดทั้งฝนทั้งพื้นก็ร้อนข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนคนทั้งสองนี้เดินทางไปด้วยกันในระยะทางขนาดเดียวกันจะมีความบอบช้ําต่างกันอยู่มากคนผู้มีเครื่องป้องกันตัว มีความบันเทาทุกข์อยู่ในตัวไม่เหมือนคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวมีแต่ความทุกข์เป็นที่เป็นฐานการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ผิดจากสิ่งนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้สร้างเครื่องป้องกันตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทาง จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเครื่องป้องกันตัวแล ะ, สะเสบียงกลางต่างๆไม่อเพื่อไม่ให้อดอยากขาดแคลนในเวลาเดินทางเดินไปก็ต้องมีสิ่งเสวยหรมีสิ่งอาศัยอยู่ก็ต้องมีสิ่งอาศัยจะอยู่โดดเดียวไม่ได้เพราะไม่ใช่พรนิพานพนิพานนั่นเป็นผู้พอแล้ว จิตที่บสุทธเต็มภูมิแล้วเป็นจิตที่พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอันใดเข้าไปส่งเสริมเพราะไม่มีความบกพร่องแต่จิตธรรมดาสามัญทั่วๆไปยังต้องอาศัยการส่งเสริมการบำรุงการรักษาการไปก็จรงต้องอาศัยความสุขความเจริญเพื่อเป็นเครื่องบันเทารับความสุขความสบายแม้มีทุกข์ก็มีเครื่องบันเทา มีสุขก็เป็นความสะดวกสบายในพบชาตินั้นๆท่นานจึงสอนให้สร้างทิมงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับใจไว้เป็นเครื่องส่งเสริมหรืออุ้มชูจิตใจของเราเวลาจนกรอบเมุมจนจริงๆไม่มีที่พึ่งที่อาศัยสิ่งที่เราเคยอาศัยภายนอกมาเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตามเมื่อสุดวิสัยจะอาศัยสิ่ง น, นั้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะอาศัย นอกจากบุญจากกุศลที่เราได้สร้างไว้เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจของเราเกิดในภพใดชาติใดมีความสุขความสบายพอเป็นเครื่องบันเท่ากันไปเรื่อยๆไม่ว่าภพใดชาติใดก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรมากนะัก คิดกับที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสเสวยเป็นเครื่องบันเทาเลยอยู่มากนะคนที่คิดอยากย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้ก็เพราะความทุกข์ยากความขัดสนจนใจเป็นเครื่องบีบบังคับไปอยู่ที่โ น, น่นเห็นจะดีกว่าที่นี่ไปอยู่ที่นั่นเห็นจะดีกว่าที่นี่ จิตใจจึงต้องเสาะต้องแสวงให้ไปไปแล้วก็อย่างว่าถ้าหากตัวของตัวไม่มีความสามารถอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับความลําบากลาบนเช่นเดียวกับอยู่สถานที่นี้นั่นแหละถ้าเป็นผู้มีความสามารถอยู่แล้วมีความสมบูรณ์พูนสุขเบื่อสมบัติเงินทองเข้าของคนเรา ก็มไม่คิดอยากจะย้ายบ้านได้เรือนไปอยู่ที่ไหนเพราะการทํามาหาเรื่องชีพก็เป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วทำไมจะอยากโยกย้ายบ้านเรือนไปอยู่สถานที่นั่นที่นี่รับความลําบากลาบนวุ่นวายอะไรอยู่สบายแล้วก็อยู่ไปเนี่ยคือความทุกข์นั่นพาให้กระเกือกกระสนกระวลกังวายลไปที่นั่นมาจจะดีไปที่นี่ว่าจะดี หากเจ้าจของไม่ดีแล้วไปไหนมันก็เท่าเดิมเพรานัจึงต้องทำของพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้สร้างเจ้าของให้ดีพบใดก็ตามถ้าเป็นพบของผู้ไม่มีบุญพบของผู้มีบาปพ บ, พบของผู้มีบาปหนักจะมีแต่พืนแต่ไฟไปทุกพบทุกการดิ้นดนกดแกงไปอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งกรรมเผาผลาญจิตใจ ในภพชาตินั้นหาความสุขไม่ได้แตะเป็นไปเพราะอานาจแห่งบุญแห่งกุศลไปพบใดก็มีแต่ความสุขความสบายไม่ดิ้นโดนกวดแฟงไม่วุ่นวายอยู่ไหนก็อยู่ได้คนเราถ้าไม่มีทุกมาบีบขั้นเขียอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เรานี้ถ้าไม่มีทุกมาบีบขั้นเราก็อยู่ได้ทาไมจะอยู่ไม่ได้ หินคำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละก็เป็นมนุษย์ทั้งคนนี้แหละแต่จิตก็เป็นอริยะจิตเป็นมิสุทธิจิตจิสรมาไม่กระทบกระเทือนกับอารมณ์อะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมีแต่ความสมายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, ด น, นั่งนอนหากจะมีอยู่บ้างก็เพียงธาดเพียงขันมันรบกวนเพราะความเจ็บนั่นปวดนี่ ตามเรื่องของธาตุขันธ์ที่ว่าอันนี้จังทุกขังอาตามันก็แสดงไปตามเรื่องของมันส่วนจิตใจนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความพลาสุกเย็นใจหากว่าร่างกายไม่แตกดูตั้งกับตั้งกันก็อยู่ไปได้ไม่คิดอยากตายเพราะไม่มีทุกข์อันใดมาบีบบังค mm ับ hmm. บุญกุศล น, นั้นนะ่ะเป็นเพื่อนสองของเรา ในเวลาเดินทางคือท่องเกี่ยวในสังฆรวัดคือความหมุนไปเปลี่ยนมาแห่งภพแห่งชาติมีกุศลสมทานที่เราสร้างไว้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเพื่อนสองนึกถึงอะไรก็เป็นมาเกิดมาขนองความต้องการมีความสุขความสบายดูพบไดชาติใดก็พออยู่ ถ้ามีบุญบุญคือความสุขความสุขไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่าแต่มนุษย์เตาต้องการเลยเขาก็ต้องการเช่นเดียวกับเต่าแต่เขาไม่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์พอที่จะสร้างความสุขขึ้นที่จิตใจได้เหมือนเดา่าเท่านั้นเขาก็อยู่ตามปาษาของเขาไปเราเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดและขมยิ่งกว่าสัตว์และมีศาสนา เครื่องชี้แนวทางฝ่ายเหตุให้เราได้ดำเนินด้วยความถูกต้องและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาคือความถุกความพึงใจภายในใจของเราจิใจเมื่อมีบุญมีกุศลดูก็พออยู่ไปก็พอไปไปไหนก็พอไปเพราะมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันเป็นซอนไฮซ่างตรงนี้ ใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นใจเป็นรากเป็นฐานใจเป็นผู้ท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ตามทั้งกล่าวไว้ว่าอเ น, นกชาติสร้างสร้างหลังสร้างถ่ายปิดสร้างอันปนิดสร้างหลังนี้เป็นต้น การต้องเกี่ยวในวัฏาทสงสารนับประมาณไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บัดนี้เราได้ทำลายแล้วซึ่งกงจักเกือวิชาได้สิ่นสุดลงไปแล้วบัดนี้เราเป็นผู้ไม่เกือดอีกแล้วนี่คือพระอุทานของพระพุทธยจกักที่ทรงลึกก ง, งจกักหยุดพัสผัานอ ย, ยู่ภายในจิตใจ มันหมุนเยียนแปลงแปลงไปในพบน้อยพบใหร่ถิ่งนี้ขาดจะ บ, บัานลงไปแล้วเหลือแต่ทิวัดทิวัตะคือไม่หมูนเป็นความ ร, ริุ้ึกรวนๆดมีนก็หมายถึงใจเราทุกคนมีวาสนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนมาให้ประมาทอนาจวาสนาของกันและกัน ถ้ามีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่เป็นสิ่งที่จะมาออกร้านค้าขายเหมือนสิ่งของต่างๆแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตสังอยู่อย่างลึกไม่มีใครทราบแม้ตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้เพราะมีสิ่งหนึ่งปิดบังอยู่ภายในตัวของตัวเราเองแต่พอที่จะทราบได้ว่าเรามีความเชื่อความร่วมใสในสาศนาสนธรรมพอใจในการทําบุญให้ทานรักษาศรรีลภาวนา นี่เป็นเชื้อเดิมแห่งนิสัยของผู้ที่เคยสร้างคุณ ง, งามความดีเคยถือศาสนาเคยสร้างบุญญาที่ผ่านมาแล้วจึงยึดหลักนิสัยเดิมนี้ไว้พอใจกับการบำเพ็ญของตนที่เคยเป็นมาแม้เราจะจําไม่ได้ว่าเราเกิดพบใดชาติใดได้เคยสร้างคุณ ง, งามความดีอย่างนี้หรือไม่ประการใดก็ตามเราก็ถือเอา ความเป็นของใจเราซึ่งแสดงอยู่ปัจจปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานได้เลยกิจเคยอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เป็นหลักใหญ่วาชนาอยู่ที่ใจสร้างแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจสู่ใจโดยลำดับลำดับเมื่อวาชนาบา ร, รมีของเราแก่กล้าแล้ว เรื่องมีวาสนามากน้อยหากจะรู้ภายในตัวของเรานั่นตอนนั้นเป็นตอนที่เปิดเผยเต็มที่แล้วเจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนได้ชมสมบัติอธรรมชาติอันล้นค่ า, าในภายจิตใจของตนทำให้เราเกิดความภาคภูมิในการบาเพ็ญของเราแม้ชาติปัจจุบันถ้าหากเราเลุกชาติใดไม่ได้เราก็ได้ภาคภูมิจิตใจว่าเราได้เคยทามาอย่างนั้นอย่างนั้น จิต ใ, ใจของเราจรงไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่สอนให้เราเห็นได้อย่างชาัดในโลกนี้พบภูมิของสัด น, นั่นน่ะมีมากนับเป็นเราอยางนับเพียงหมืน่นหมืน่แนแสนแสนพบภูมิเลยมีมากกว่านั้นที่จิตมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆนานาเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอน เหล่านี้แหละณจริงที่ไม่ไว้ใจเหล่านี้แหละมีมากซึ่งมีมากพระพุทธเจ้าเจึงสอนลงในจุดรวมว่าผู้ใดเป็นผู้ที่จะไวสู่ในภพชาติใดๆต้องขึ้นดูขับจิตนี้านั้นเพราะฉะนั้นตรงสร้างจิตฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่งสาคัญถ้าอบรมจิตนี้ ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรมแล้วจะมีชักศีนร้อยละสี่ร้อยล้านพบภูมิของสัตวก็ตามจิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นเหมาะสมกับวาสนาบารมีของตนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมกฆะไปหมดกับจิต ด, ดวงที่มีความดีถ้าจิตไม่มีความดีสิ่งเหล่านั้ น, นจะใกล้หิ่มาก ใกล้กับจิตดวงนี้ที่จะสวมใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าต้องอีดต้องกันเอาไว้ด้วยพระโอวาสคำสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทุนิศพิจารณาและประพฤตปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยงไม่เป็นอย่างอื่นสุขโผลุญญาสุจุโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนามาซึ่งความสุขเนี่ย สุขทั้งชาตินี้สึกทั้งชาติหน้าพบน่าสุขไม่มีจืดมีจาง ส, สุขไม่เบือ่อ <c oughs> ก็คือสุขด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลคือความสุขใจฉันขอให้พากันที่สาภียานีเรามาบำเพ็ญเป็นการเป็นเวลาเพราะเราเป็นคารวาดต้องยินเต่นขวัญขวายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อนาตเพื่อวงเพื่อ ผูเกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับการงานเหล่านี้เหมือนๆกันหมดอันนั้นเป็นความจำเป็นส่วนที่เราจะต้องทำส่วนจิตใจคือการสร้างบุญสร้างอยอยากุศลก็อย่าตล่อยอย่าลดละพยายามทําเป็นคู่เทียงกันไปข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็มีอาศัยได้ตลอดไป สมบัติภายในเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวระบบคลบุคลบคลที่จะต้องพึงพึงอิงอาศัยสมบัติอันนี้มันเป็นแก้วสารพันนึกปีภายในจิตใจมีความคุกความเจริญในภพชาตต่อไปสมกับมนุษย์เรามีปัญญาเฉลี่ยฉลาดคาดหน้าขาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้อง แลบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำดั้งสอนซึ่งเป็นส่วนขาธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ชอบแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูิมนุษย์พบหน้าก็จําต้องเหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะอํนานาจแห่งบุญแห่งกุศลเป็นผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างมุนฉะนั้นแนวาสานแห่งการแสดงธรรม ขอบุญญาณุภาคังองค์สมเด็จพระเู้มพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประถังแประสงค์จงคุ้มครองท่านทั้งหลายทีม่มีความศึกษาสบายใจอ ย, ายา่าได้มีโรคข่าวพยาธิอันใดมาเบียเดเบียบนทําลายใหด่นบำเพ็ญพงงามความดีเต็มทัศน์กำลังความสามารถของตนจนถึงมันอาวาสานสุดท้ายสมกับความมุ่งมั่นปราถนาดังที่ท่านทั้งหลายมุ่งไว้แล้วโดยทั่วกันจงขอยุติเพียงเทาง่านั้